อ, อลบาบากับโจร40คนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเปอร์เซียแห่งหนึ่งมีพ่อค้าขายผมที่มีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อคาซิมอีกคนชื่ออลบาบาหลังจากที่พ่อของพวกเขาตายคาซิมและโมบก็ครอบครองธุรกิจของพอ่อด้วยการหลอกอลบาบาที่ไรเดียงสาคาซิมแต่งงานกับหญิงเศรษฐีบ里巴巴 จะต้องเลี้ยงลูกกับเมียของเขาเขาหาเงินด้วยการตัดไม้ขายในป่าวันหนึ่งอาลีบาบากำลังตัดไม้อยู่ในป่าอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของม้าหลายตัวเฮเฮเขาไปหลบหลังต้นไม้เพราะเขากลัวคนพวกนั้นเป็นกองทัพชาย40คนบนหลังม้าที่มีการพบถุงใหญ่และพวกเขาไปหยุดหน้ากองหินยักษ์ที่ตีนเขา พวกเขามีดาบกับมีดกับที่คาดเอวพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นโจร น, นะน่ะพวกเขามาทำอะไรในป่านี้เนี่ยหนึ่งในโจรที่เหมือนจะเป็นหัวหน้ามาที่หน้ากองหินเปิดซาเซามิไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว้าว กองหินยักษ์นั้นเป็นทางเข้าถ้ำมืดเราโจรเดินเข้าไปในถ้ำและประตูก็ปิดตามหลังพวกเขาอลีบาบาทึ่งมากและเขาก็ขยับตัวไม่ออกเพราะเขากลัวหลังจากนั้นประตูก็เปิดอีกครั้งพวกโจรก็กลับออกมาพร้อมมือเปล่าพวกเขาทิ้งถุงไว้ในถ้ำนี่โจรขึ้นหลังม้าแล้วหายไปจากป่า โอ้นั่นน่าจะเป็นที่มันซ่อนสมบัติแน่เลยอัลลีบาบาอดใจไม่ไหวที่จะเข้าถ้าเขาไปยืนหน้าหินแล้วตะโกนเปิดซะเซซามีประตูเปิดเหมือนที่เห็นอัลลีบาบาเข้าถ้าไปโอ้ที่นั่นมีกองเงินกองทอง พลอยและชิ้นส่วนมีค่ามากมายแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอาลีบาบาขายยีตาเพราะไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้แต่มันอยู่ตรงนั้นกองบนพื้นเต็มไปหมดฉันเอาเหรียญไปดีกว่าพวกโจรไม่รู้หรอกนะอาลีบาบาใส่เหรียญเต็มถุงแล้วกลับบ้านดูสิผมเจออะไรมา อาลีบาบาเททุงเหรียญทองลงต่อหน้าเธอมีของเขาไมา่อยากจะเชื่อสายตาที่ได้เห็นทองมากขนาดนั้นอไปขโมยมาเหรอเรื่องมันยาวนะผมไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นน่ะมันถูกขโมยมาก่อนแล้วอ่ะฉันขอนับก่อนนะไม่เรานับเหรียญเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะไปที่บ้านพี่ผมไปเอาตราช่างมา เมียของอล阿里บ า, บารีบวิ่งไปบ้านพี่เขยของเธอขอยืมตราช่างหน่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะคืนนะเจอเอาไปช่างอะไรปล่าค่ะก็แค่ธั ญ, ญพืชเมียของคาซิมเป็นหญิงเจ้าเล่เธอคิดว่าอล阿里 บ, บาไม่มีทางมีทั ญ, ญพืชมากขนาดต้องเอามาช่งางเธอเลยเอาแว็กทาไว้ใต้ตราช่างและเอาไปให้เมียของอล阿里บ า, บา เมียของอล阿里 บ, บาเอามันไปช่างเหรียญทองและพอใจกับจํานวนเหรียญทองที่มีมากเรารวยแล้วที่รักเราจะซื้อทุกอย่างที่เรามีได้อย่าเพิ่งรีบไปสิทุกคนจะสงสัยเรานะเราจะให้คนอื่นรู้เรื่องความลับของเราไม่ได้นะเมียของ阿อ里บ า, บาอยอมรับที่จะเงียบปากแต่วันที่สองเมียของคาซิมก็รู้ความลับของพวกเขาโดยการเห็นจากตราช่งางเธอรีบไปบอกคาซิมเรื่องความรวยของน้องชายเขา 阿里บ巴าบามีเหรียญทองอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้อะผมต้องหาคําตอบนี้ให้ได้เลยท่าซิมอิจฉามากเขานอนไม่หลับเลยต้องรีบไปบ้านอาล阿里บ า, บาอาลีเป็นไงบ้างน้องชายพี่มาถามแกว่าแกต้องการอะไรไหมอย่าลังเลที่จะขอพี่นะอยากได้อะไรก็บอกมาเลย พี่ชายแกคอยช่วยแกเสมอนะอาลีบาบาโอ้พี่ดีใจที่พี่แคร์ผมนะแต่ผมเนี่ยมีพอเพียงแล้วล่ะพี่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะพอเพียงเหรอไหนบอกมาว่ามีอะไรละ่ะอาลีบาบาที่ไร้เดียงสาเก็บความลับเอาไว้ไม่ได้เขาบอกความจริงเรื่องโจรกับถ้ำดีเลย พรุ่งนี้พี่จะไปที่นั่นนะยังไงแล้วเงินของแกก็คือความรับผิดชอบของพี่ที่จะดูแลให้นะเออแล้วรหัสถ้ำเนี่ยคืออะไรล่ะเปอรซัสเซซามิเปอรซัสเซซามอ๋อเปอรซัสเซซามเออพี่จำได้นะเปอรซัสเซซามเช้าวันถัดไป คาซิมก็ออกจากบ้านของพวกเขาพร้อมกับลาสี่ตัวที่จะขนทองฉันจะรวยสุดๆเลยเขาไปถึงถ้ำและตะโกนเปิดซะเซซามิประตูปิดหลังเขาทันทีน่าทึ่งมากไม่อยากจะเชื่อเลยทองมากขนาดนี้มีเพชรมากไปฉันจะกลับไปให้หมดเลย ขาซิมเอาเหรียญและเพชรพลอยใส่ถุงจนหมดแต่ตอนเขาจะกลับเขาก็เอาแต่ยืนคิดรหัสอะไรเล่เนี่อม เ, ออเปิดะบาลีเปะิะข้าวสาลีเปิดประตูเปิดประตูเปิดประ ต, ตูใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเพราะเขาตื่นเต้นเขาเลยลืมรหัสผ่านเขาเลยติดอยู่ในถ้ำหลังจากนั้น เขาได้ยินเสียงม้ากระทือบท้าโจร40สบนายได้กลับมาที่ถ้าของพวกเขาเบอร์ซเซซามิตอนที่ประตูเปิดพวกเขาก็เจอคาซิมนั่งคุกเข่าอยู่ที่ประตูหัวหน้าโจรฆ่าเขาด้วยมีดโดยไม่ถามอะไรแม้แต่นิดเดียวปล่อยเขาตายอยู่ข้างในมีดของคาซิมไปหาอาลีบาบาเรื่องที่เขาหายตัวไปเขาไปที่ถ้ำนี่ ผมจะไปตามหาเขานะอลิบะบาไปที่ถ้าและพบศพของคาซิมไม่นะไม่นะเขาเอาคาซิมใส่หลังลาแล้วพาศพกลับบ้านคนใช้ของคาซิมได้ยินทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะต้องปิดบังสาเหตุความตายของเขาค่ะฉันจะไปหาหมอไปเอายามาให้เขาเอง เราจะได้แส้งว่าเขาป่วยเช้าวันพรุ่งนี้ค่อยประกาศว่าเขาตายทุกคนยอมทำตามแผนสองวันผ่านไปเมียของคาสิมทนเศร้าใจไม่ได้เลยตรอมใจตายไม่มีใครเหลือให้ฉันรับใช้นะคะให้ฉันเป็นคนรับใช้บ้านคุณนะอลบ里บ า, บารู้ว่าเธอเป็นคนฉลาดและจะช่วยเขาได้ดีในอนาคตเขาเลยพามมเก น, นากลับบ้าน วันถัดไปจรไปที่ถ้มศพหายไปไหนเนี่ยยังมีคนที่รู้ความลับเราอีกอย่างนั้นเหรอมันคือทรัพย์สินที่เราเก็บมาตลอดชีวิตเราต้องรู้ให้ได้ว่าศัตรูของเราคือใครก่อนเราจะเสียทองไปอีกไปที่หมู่บ้านไปหาคำตอบว่าไม่นานมานี้มีใครตายทุกคนไปรวมตัวกันที่หมู่บ้านไปตามหาคนตายมีคนคนหนึ่งไปบ้านหมอ สวัสดีหมอไม่กี่วันมานี้รู้ไหมว่ามีใครตายบ้างอะมีสิขาซิมตายฉันให้ยากับคนใช้ของเขาตามอาการที่คนใช้บอกแต่เขาตายฉันเนี่ยเสียใจแทนเขาอ่ะนะชอกร้ายนะบ้านเขาอยู่ไหนอะบ้านเขาไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะแต่เขามีน้องชายชื่ออลบาบาที่ตรอกตรงนั้นจอสงสัยว่าอล阿里บ า, บา จะเป็นคนที่อุ้มศพกลับมาเขาเลยไปที่บ้านอารีบาบาตอนเดึกตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในตรอกเขาเลยทำสัญลักษณ์ไว้ที่บ้านพรุ่งนี้ฉันจะเอาทุกคนมาฆ่าคนบ้านนี้เช้าวันถัดไปมอร์เกน่าเห็นสัญลักษณ์หน้าประตูมอร์เกน่าที่ฉลาดรีดาว่าเกิดอันตรายขึ้ น, นแน่เธอเลยไปทำสัญลักษณ์ทุกบ้านในตรอกเหมือนๆกันจนหมดตอนเที่ยงคืน เหล่าโจรก็มาที่หมู่บ้านได้สับสนเพราะว่าทุกบ้านมีสัญลักษณ์เหมือนกันหมดพวกเขาต้องกลับไปอย่างผิดหวังพรุ่งนี้ฉันจะหาคำตอบให้ได้กัปตันตัดสินใจที่จะไปเองแต่เขาฉลาดกว่าคนอื่นเขาไม่ทำสัญลักษณ์ที่บ้านแต่เขามองบ้านอย่างละเอียดจะได้ไม่ลืมเขาเรียกลามา40ิตัวและถังเปล่า40ิถัง เขาเติมน้ำมันใส่ถุงหนึ่งถังที่เหลือเขาบอกให้ลูกน้องของเขาเข้าไปซ่อนตัวหลังจากนั้นหัวหน้าก็ปลอมตัวเป็นพ่อค้าน้ำมันเขาไปที่บ้านของอาลีบาบาอยากจเจอกับใครครับผมเป็นพ่อค้าน้ำมันที่จะเดินทางไปเอเชียไปขายน้ำมันตอนนี้ดึกแล้วผมกำลังหาที่พักเพลงอยู่เดินทางมาไกลามากเลยนะครับ เข้ามาก่อนซิมาพักผ่อนก่อนนะครับเออขอดูถังของคุณก่อนค่ะก็ได้จำเป็นสินะคนสวยอย่างคุณต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมมอกนาโชคดีที่เปิดถังที่เต็มไปด้วยน้ำมันเธอมั่นใจหัวหน้าโล่งใจพวกเขาเข้ากันไปหมดมอกนาเตรียมอาหารอร่อยๆสำหรับมื้อค่าเธอเสิร์ฟอาหารค่าและเห็นแหวนหนึ่งวงบนนิ้วของพ่อขา เธอรู้ตัวนึกได้ทันทีว่ามันเป็นแหวนที่คล้ายๆกับที่อาลีบาบาเอากลับจากถ้าเธอกลับมาสงสัยอีกครั้งเธอค่อยๆไปที่ถังช้ชาๆและเคาะมันเราจะไปได้หรื อ, อยังหวนนะัวหน้ามกิน่าเข้าใจแผนทันทีเธอเช็คถังทุกถังและพบว่าโจรซ่อนอยู่ข้างในเธอเอาถังที่เต็มไปด้วยน้ํามันไปให้ความร้อนบนเตาใหญ่หลังจากนั้นเธอก็เทน้ํามันร้อนๆลงไปในถัง เธ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อเลยกำจัดเหล่าโจนออกไปได้คืนนั้นหัวหน้าก็ออกมาเรียกตัวโจนทั้งหมดแต่เมื่อเขาเปิดถ้นเขาตกใจและกลัวมากเฮ้ยเขาติด ก, กลับแล้วเขารีบหนีออกไปด้วยความกลัว วันถัดไปโมกนินาบอกความจริงกับอลบาบาเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันจะขอบคุณเธออย่างไงดีจากวันนี้เธอเป็นครอบครัวของเรานะไม่ใช่แค่สาวใช้ขอบคุณเจ้าค่ะพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดั่งครอบครัวอลบาบาเป็นคนเดียวที่รู้ความลับเรื่องถ้าสมบัติเปรสซ์เซสมี